2. เราเรียนเพื่อให้รู้ไม่ใช่เรียนเพื่อเอาเราไม่ใช่ฝึกเอารู้เพลอก็ได้คนทั่วๆไปเพลอมาตั้งแต่เกิดเลยเราเลอตั้งแต่ตื่นจนหลับเลอตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้ตัวว่าเพลออยู่ฉะนั้นในโลกนี้มีแต่คนเพลอมีแต่คนหลงแต่ไม่มีใครรู้ว่าหลงอยู่แต่เมื่อเราฝึกปฏิบัติจนสติเกิดเราจะรู้เลยว่าที่ผ่านๆมาเราหลงตลอดเลยดังนั้นเราจะฝึกเพื่ออะไร เราจะฝึกเพื่อไม่ให้หลงหรือเปล่าไม่ใช่จิตจะหลงหรือเกิดสติเราสั่งไม่ได้นะเราเลือกไม่ได้ว่าให้จิตเป็นกุศลมีสติหรือเป็นอกุศลหลงไปแต่เราจะเรียนจนเห็นเลยว่าจิตจะเผลอไปก็ห้ามไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งก็ไม่ได้รู้สึกตัวแล้วก็รักษาไม่ได้รู้สึกไหมเพราะเผลอไปแล้วรู้ว่าหลงนะรักษาได้แวบเดียวเดี๋ยวก็หลงใหม่ ในที่สุดจะเห็นเลยว่าจิตที่เป็นอกุศลคือหลงไปจิตที่เป็นกุศลคือรู้สึกตัวเสมอภาคกันเกิดแล้วดับเหมือนกันหมดเลยไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งฉะนั้นเราไม่ได้ฝึกเพื่อหาทางให้จิตสุขให้จิตสงบให้จิตดีแต่เราฝึกจนเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยความสุขความสงบความดีเกิดแล้วก็ดับความทุกข์ความฟุ้งซ่านอากุศลเกิดแล้วก็ดับ เสมอภาคกันเรียนจนใจเป็นกลางอย่างนี้ง่ายแต่ถ้าเรียนแล้วตั้งเป้าว่าเราต้องสงบต้องสุขต้องดีอย่างนี้ยากแล้วเพราะสงบสุขดีก็ชั่วคราวถ้าเราพยายามฝืนให้มันถาวรเรียกว่าเราฝืนธรรมะฝืนความจริงฝืนธรรมดาไม่สําเร็จหรอกล้มลุกคลุกคลานไปตลอดชีวิตของการปฏิบัติแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเรายอมรับความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ไม่ใช่ของที่ต้องทำให้เที่ยงไม่ใช่ของที่ต้องทำให้สุขทาวรไม่ใช่ของที่บังคับได้ใจยอมรับอย่างนี้นะไม่มีคำว่าเจริญหรือเสื่อมแล้วคำว่าเจริญหรือเสื่อมนี้เราพูดเอาตามใจมันไม่ได้ดีอย่างใจก็บอกว่ามันเสื่อมมันดีถูกใจก็บอกว่ามันเจริญแท้จริงไม่มีคำว่าเจริญหรือเสื่อมหรอกมีแต่คำว่าเกิดกับดับกุศลเกิดแล้วก็ดับไปอกุศลเกิดแล้วก็ดับไปเท่าเท่ากัน เพียงแต่บางวันอกุศลเกิดบ่อยคนทั่วๆไปและนักปฏิบัติไม่ชอบมันก็บอกว่าจิตเสื่อมความจริงโลภโกรธหลงถึงจะเกิดบ่อยแต่ทุกครั้งที่เกิดก็ดับทุกทีสภาวธรรมทั้งหลายสอนธรรมะเราเท่ากันสอนไตรลักษณ์เท่าๆกันแล้วทำไมต้องมีกุศลอกุศลขึ้นมาก็เพราะว่าถ้ามันมีแต่อกุศลล้วนๆเช่นเผลอล้วนๆเราก็จะไม่รู้ว่าเผลอนี่มันไม่เที่ยง เราจะรู้สึกว่ามันคงที่เราดีอยู่ตลอดเวลาเช่นทุกคนในห้องชั่วเท่ากันหมดในห้องนี้ไม่มีคนชั่วแล้วทุกคนกลายเป็นคนดีเท่ากันหมดเลยแต่ถ้ามีคนหนึ่งเป็นคนดีขึ้นมาคนที่เหลือชั่วหมดเลยจิตนี่ก็เหมือนกันจิตที่หลงตลอดเวลาตั้งแต่เกิดนะยิ่งพวกทำกรรมฐานยิ่งเป็นพวกหลงมากเลยหลงไปแช่อารมณ์แล้วนึกว่าวิเศษมากฉะนั้นจิตมีแต่หลงไม่เคยรู้สึกตัวจึงไม่รู้ว่าหลงอยู่ การที่เราฝึกจนกระทั่งสติตัวจริงเกิดขึ้นมาเราจะรู้ว่าเราหลงแล้วเราจะมีปัญญาเห็นว่าความหลงก็ไม่เที่ยงความรู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงนี่ทางรอดอยู่ที่นี่นะไม่ใช่ทางรอดอยู่ที่ฝึกไม่ให้หลงไม่ใช่ฝึกเอาดีเอาสงบเอาสุขไม่ได้ฝึกเอาสติเพราะสติหรือการมีกุศลทั้งหลายเหมือนเรือเท่านั้นเองท่านบอกธรรมะเหมือนเรือเอาไว้ข้ามฝั่ง พอข้ามฝั่งได้แล้วก็ถีบหัวเรือทิ้งไปไม่เกี่ยวกับเราแล้วเราขึ้นบกไม่แบกเรือไปด้วยฉะนั้นการที่เราต้องฝึกให้มีสติมากๆเพื่อจะอาศัยรู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปแล้วแล้วก็ตอนนี้รู้สึกตัวมีสติรู้ทันรู้มากๆปัญญาก็เกิดเห็นว่าเผลอก็บังคับไม่ได้รู้สึกตัวก็รักษาเอาไว้ไม่ได้เสมอภาคกันใจจะวางใจจะหยุดดิ้นถ้าใจของเรายังเห็นว่าอันหนึ่งดีอีกอันหนึ่งไม่ดี อันหนึ่งสุขอีกอันหนึ่งทุกอันหนึ่งจะเอาอีกอันหนึ่งจะผลักใจจะไม่เลิกทำงานใจจะไม่เลิกปรุงแต่งจะดิ้นหาความสุขจะดิ้นหาความดีจะดิ้นหาความสงบไปเรื่อยๆใจจะดิ้นไปเรื่อยปรุงแต่งไปเรื่อยแต่ถ้าเห็นทุกอย่างเสมอภาคกันหมดไม่ใช่รักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งใจจะเลิกดิน้นใจที่เลิกดิ้นจะเข้าถึงความสงบสุขนะฉะนั้นคาว่านิพานมีอีกชื่อนหนึ่งว่าวิสังขารในวงเล็บธรรมะที่ไม่ปรุงแต่ง มีอีกชื่อหนึ่งว่าวิราคะในวงเล็บไม่อยากไม่หิวมีอีกชื่อหนึ่งว่าสันติเราเรียนเพื่อให้รู้ไม่ใช่เรียนเพื่อเอาถ้าใจมันหมดงานที่จะต้องทำหมดภพคือหมดการทำงานของจิตภพก็ขาดใจไม่ทำงานก็ไม่มีผู้ทำงานความทุกข์ไม่มีที่จะตั้งไม่มีที่จะอิงอาศัยนี่ที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ละอวิชาได้ละความเห็นผิดได้ละได้ก็วาง ได้วิมุตตก็เห็นนิพพาน